ที่ได้แสดงมาโดยลำดับนั้นในตอนต้นจะมีลักษณะของสมถะคือการทำใจให้สงบโดยให้มีโดยให้บุคคลตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่อารมณ์ตึงตนกำหนดระลึกในขณะนั้นๆในมาสติปัฏฐานสูตรนั้น จำแนกอารมณ์ออกไปเป็น21บออารมณ์ด้วยกันซึ่งบุคคลสามารถเลือกอารมณ์ที่เหมาะสมกับจริตของตนคือตัวลึกในอารมณ์ใดแล้วจิตใจสามารถสงบได้ก็ใช้อารมณ์เหล่านั้นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าใช้บุคคลไปปฏิบัติครบทั้ง21ข้อ ยี่งแต่เลือกเอาในข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเมื่อตั้งสติระลึกรู้ไปแล้วความสงบเกิดขึ้นก็ถือว่าใช้ได้แต่ในขณะเดียวกันบุคคลบางคนไม่สามารถจะวินิจฉัยตนเองได้ว่ามีจริตเป็นเช่นไรตอนนี้เพราะว่าทรงแสดงเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมนั้น จะเห็นได้ว่าองค์ธรรมที่กาหนดระลึกจะมีความละเอียดลงไปโดยลำดับเรื่องกายเรื่องเป็นการมองในแนวของหยาบหยาบ เ, าเวทนาก็ปรากฏแก่ใจชัดเจนก็รปรากฏได้ทั้งทางกายและทางใจเราอาจจะไม่เห็นเวทนาที่ใจแต่อาจจะดูเวทนาที่กายก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาที่ชัดก็คือทุกขเวทนา จะนั่งปวดเมื่อยเราก็ดูท่เวทนาตัวนั้นแต่ก็รู้ตามท่เวทนาปรากฏแต่จริงเวทนามันก็เกิดที่จิตด้วยเพียงแต่ว่าบางขณะเราไม่รู้เวทนาที่เกิดขึ้นแก่จิตเท่านั้นอันตอนแรกๆห ย, ยากๆก็ดูท่เวทนาซึ่งเกิดที่กายซะก่อนแล้วพอสามารถดูเวทนาที่จิตได้ เราก็ดูเวทนาที่จิตด้วยจะดูที่กายด้วยตามสมควรแก่ขณะนั้นๆทั้งสองข้อนี้เป็นธรรมะที่ทรงแสดงให้เหมาะสมสอดคล้องแก่คนประเภทที่เรียกว่าตัณหาจริตคือจิตใจมักสายไปในรุมทั้งหลายแล้วก็มีกำหนดหมายอารมณ์เหล่านั้น ก็เป็นสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่การกำหนดในแนวนั้นมันก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดอยู่ในตัวมันเองด้วยตามพื้นเพของจดิตเพราะคนตัณหาจดิตนั้นเมื่อแยกโดยสรุปบางคนมีตัณหาจดิตกรา้าปัญญาน้อยแต่บางพวก ตัรหาจริตก็ไม่ถึงกระกล้าเท่าไหร่ปัญญาก็มากกว่าเดิมตั้ในการมองก็มองตามเหมาะสมตัลองเดียวกับ ก, การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมแก่การจะทำอุปกรณ์นั้นๆแม้ภายในครัวเรือนจะพบว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ใช้ต่างกันโดยมีเป้าหมายในการใช้เหมือนกัน การตั้งสติระลึรกรู้ในอารมณ์กรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นคนบางคนตระหาจริตไม่อยากเกินไปว่าจะมองในแง่ของเริ่มจากลมหายใจเข้าออกไปหรือตั้งสติระลึรกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าและหายใจออกอย่างที่ปฏิบัติกันซึ่งเราเรียกว่าหนาปาในาสติแต่บางคง บางคนอาจจะมองไม่ชัดเพราะเรื่องลมเป็นเรื่องที่ออกจะละเอียดก็ทรงสอนให้มองดูที่กายคือมีสติยืนเดินนั่งนอนอยังมีสติยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งที่ว่ารู้อยู่ในอริยาบถนั้นๆซึ่งสำนวนในปัจจุบันนั้นใช้คำว่ารู้รูปยืนรู้รูปนั่งรู้รูปนอนรู้รูปยืน ถ้ า, าว่าสติสัมปชัญญะเรามีกำลังมากกว่า น, นั้นเราก็เปลี่ยนเป็นการตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกอิริยาบถ ท, ที่มีความเคลื่อนไหวจะกินจะดื่มทําพูดคิดจะลิ้มจะจับต้องจะกู้แขนจะเจี๊ยบแขนจะยืนเดินดนั่งนอนเปน็นต้นก็เรียกว่ารู้ทั้งอิริยาบถย่อยและอิริยาบถใหญ่มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ในจีนันนั้น ที่จะพบ ว, ว่าอาการเหล่านี้อารมณ์กรรมฐานทั้งสามประการนี้สำหรับคนที่ตัณหาจดิตแล้วก็มีสติปัญญาไม่มากก็สามารถทำใจให้สงบระลึกได้ระ ล, ลึกรู้อยู่ในสิ่งเหล่านั้นได้แต่บางคนตัณหาจดิตกล้าปัญญาน้อย คือมองขนาดนั้นก็อาจจะมองไม่เคยเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องงตัญหาจริตก็คือเรื่องกำหนัดเร่งรักใคร่พอใจยินดีตามลักษณะของตัญหาที่ส่งแสดงเอาไว้หรือพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสรสพุทธภพหรือพอใจในยินดีในสถานะต่างๆหรือความมีความเป็นต่างๆ ซึ่งก็พร้อมที่จะเวียงมากลับเป็นวิภวตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ในสิ่งนั้นๆที่จริงก็เป็นปฏิกิริยาทางจิตที่เปลี่ยนไปอีกมุมหนึ่งคือไปคว้าสิ่งอื่นทิ้งสิ่งหนึ่งเดียวก็ไปคว้าสิ่งหนึ่งซึ่งในหลักของการปฏิบัติมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็รคงเป็นอาการของตัณหาอยู่นั่นเอง ดังน้เราจึงพบพระพุทธธรรมหัสที่ทรงแสดงถึงหลักการปฏิบัติให้บุคคลมองถึงขันธ์ทั้งห้าว่าขันธ์ทั้งห้านั้นเป็นภาระที่หนักแต่บุคคลก็แบกก็หาบขามขันธ์ทั้งห้าเราดันเอาไว้การปล่อยการวางขันธ์ทั้งห้าลงไปได้ก็จะมีความสุข แต่ต้องปล่อยวางจะ่างมีข้อแม้ว่าไม่ไปแบกอย่างอื่นก็จะแบกอย่างอื่นมันก็หนักอีกก็คล้ายๆกับอิเดียบทในชีวิตประจาวันของเราเราจะคิ้วจะหาบจะแบกอะไรอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเห็นว่าหนักเราก็วางต่วางเพื่อจะหยิบอย่างยืนแบกต่อไปแล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่แบกแต่าการที่หนักนั้นไม่ได้ซึสงบลงไป พันจิตใจของบุคคลที่ปะยิดติอยู่ในสิ่งทั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่นั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติระดับหนึ่งคือระดับทั้งสามประการนั้นไม่สามารถจะมองข็นคือไม่สามารถทำใจสงบได้เพราะตัะหาก็ยังเล่นไปไกลมาก สติตปัญญาที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยก็มีไม่มากพอไม่สามารถที่จะให้สติรา ล, ลึกรู้อยู่ในอารมณ์เหล่า น, นั้นได้เราก็ต้องเอาสิ่งข้างนอกเขาช่วยอห้เราสัเกตว่าลมหายใจเขาออกก็ดีอยิยาบทก็ดีอยิยาบทใหญ่อยิยาบทน้อยก็ดีนั้นเราดูตามธรรมดาของมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรลมหายใจก็ออกเป็นยังไงก็ดูตามนั้น อยาบทเป็นยังไงก็ดูตามนั้นอยาบทย่อยคือกินดื่มทําพูดคิดลิ้มหยิบของโจยของตัดของอะไรก็มีสติแล้วลึกรู้อย่างนั้นคือก็เป็นยังไงเราเพียงแต่เอาสติไปตั้งไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าหากเขายังไม่สามารถสงบได้ยังไม่สามารถเกิดความรู้ได้ก็แสดงให้เห็นถึงพื้นภายในว่าตนาจะดิดกล้า ปัญญาไม่มากพอมันก็ต้องมองในแนวแยกเพื่อให้สามารถบรรเทาตันหาที่เกิดขึ้นในอารมณ์เรานั้นได้ที่ทรงแสดงในรูปของทาตุ ป, ปะะัาพ่ะคือหมวดติวาด้วยธาตุแต่การมองธาตุนั้นก็มองในแนวแยกทีนี้บางทีเราก็แยกเราไม่เห็น สิ่งเหล่านี้ถูกปกปิดเอาไว้มันในตอนต้ น, ตนๆท่านก็ทรงสอนให้ดูในแนวอุปมาเทียบเคียงเช่นอาจจะไปดูในร้านตลาดเป็นต้นดูร้านขายหมูร้านขายเนื้อโคร้รานขายไก่เป็นต้นตเราก็จะเห็นว่าความเป็นโคก็ดีความเป็นหมูก็ดีความเป็นควายก็ดีมันไม่มีอยู่ในที่นั้น ทางทางที่เกกนื้อเกาะเมื่อก่อนก็กมีเป็นควายเป็นหมูเป็นโคอยู่แต่ในตอนนัน้นถูกแบ่งแยกหมดแล้วเราไปเจอเฉพาะกิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของควายของโคของหมูเหล่านั้นและถ้าเห็นข้างนอกชัดแล้วก็กลับมาดูที่ข้างในคือตัวเรา แต่นั้นท่านทั้งหลายจะพบคําว่าดูกายที่เป็นภายในบ้างดูกายที่เป็นภายนอกบ้างและแต่จะดูช่วงไหนมหาช่วงไหนประจุมุ่งหมายจริงๆคือต้องการให้มองความเป็นอย่างเดียวกันการสามารถมองความเป็นอย่างเดียวกันนั้นจะลดละกิเลสลงไปตัวนี้มองกลับไปในภาพ ร, มรวมๆอีกทีนึงเช่นบทบัญญัติในชั้นศีล คือพยายามที่จะให้คนมองเป็นพวกเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันที่เกิดมีการเข่นข่าเบียดเบียนรบตุสร้ายกันรุนแรงในโลกนั้นก็เพราะมองเป็นแตกต่างกันมองแรงแรงก็มองในแนวที่เรียกว่ามิคสัญญาิมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์ที่จะต้องไล่ล่าตามสัญชาตยานป่าเราจ็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่มองกันมิกือเป็นมิคสัญญา เช่นว่าเสือเห็นกวางก็ไ ล, ล่ล่าสุนัขหมาป่าเห็นสัตว์บางอย่างก็ไ ล, ล่ล่าก็ไล่ล่ากันอยู่อย่างนั้นเรียกว่าแต่ละฝ่ายนั้นมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอาหารมองเป็นเนื้อที่จะกินจะให้ประโยชน์แก่ตัวเองแล้วถ้ามองในนี้ก็ต้องเปลีป่ยนๆกันมองอีกระดับหนึ่งก็คือมองเป็นเราเป็นเขา เ, เราเป็นเขานั้นจะทนุถนอมเราเพื่อต้องการผลประโยชน์แก่เราแล้วบางทีอาจจะไปทําลายเขาหรือทําลายของของเขามันก็เกิดเป็นการผิดศีลขึ้นมาเพราะในชั้นศีลท่านจึงขอเพียงแต่ว่าไอ้ความเป็นเราเป็นเขาก็คงมีหรอกแต่ว่าทำอย่างไรอย่าไปเบียดเบียนเราแล้วก็เบียดเบียนเขา อย่าเบียดเบียนของเราแล้วก็เบียดเบียนของเขาแต่พอชันธรรมะเราจะพบว่ามันก็อย่างเดิมนั่นแหละคือของก็มีอยู่อย่างเดิมแต่ก็มองใหม่อีกทีหนึ่งว่ามันเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราเป็นผู้ร่วมโลคโดยการร่วมทุกข์ร่วมสุขโดยกันแต่ความรู้สึกถ้าเป็นเราก็เป็นพวกเรา ก็จะมีการเคารพนับถือซึ่งกันและกันยอมรับสิทธิในร่างกายในทรัพย์สินในคู่ครองก่อการอะกันแสดงว่าธรรมะได้เกิดขึ้นแล้วภายในใจแต่พึงสังเกตว่าจะมีการข้องติดจะมีการข่วงใหญ่จะมีการอะไรจะมีการขวอยหาจะมีการรักใคร่จะโน้น้อม ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นปนัญหาอะไรถ้าระดับสังคมมันก็ดีแล้วแต่ระดับสอนกรรมฐานนั้นต้องการจะถ่ายถอนแม้แต่ความรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกในแนวของความกับหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินแหน่ลมทั้งหลายเพรามันสร้างปัญหามากเกันดังนั้นท่านจึงต่ายอีกมาระดับหนึ่งในระดับธรรมะที่ทรงแสดงว่า ในระดับศีลกับระดับธรมะที่เชื่อมที่เชื่อมกันทรงสแสดงว่าอริยาสาวกคือคนดีในโลกนี้คำว่าอริยาสาวกในที่นี้ที่จริงก็ระดับหนึ่งก็หมายถึงคนดีระดับหนึ่งก็คือดูตัวอย่างคนประเภทที่เป็นพระอริยาสาวกแเราก็ต้องการจะเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นพระอริยาสาวกไม่ได้อยู่ที่กำเนิด ไม่ได้อยู่ที่ชาติสกุลไมได่ดูสถานะรูปร่างแต่มันอยู่ที่การกระทำของท่านเหล่านั้นพรัถ้าต้องการเป็นพระยาสาวกก็ดูว่าพระยาสาวกนั้นทำอย่างไรจะทรงแสดงว่าพระยะบุคคลพระยะบุคคลในโลกนี้เป็นผู้งดเป็นจากการทําสัตว์ได้ตายจะ แ, แสดงว่าเป็นศีล มีศัตรูอาวุธวางแล้วมีเครื่องประหารนั่งวางแล้วเป็นอาการของศีลคือความสำรวมระวังมีความสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอาการของศีลที่ต่อเนื่องกันไปไม่มีการประพฤติการกระทําอะไรที่กระทบกระทั่งต่อเขาและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเขาอาจจะเป็นคนก็ได้จะเป็นสัตว์ก็ได้มีความละอาย เกิดที่ดิโอตาปขึ้นภายในใจที่จะประพฤติจะกรรมในลักษณะล่วงเกินต่อเขาแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเขานั่นแหละจนถึงออกมาไปรูปของความเมตตามีความเอ็นดูมีความสงสารต่อคนอื่นแสดงว่าจิตมันก็มีกิเลส จ, จางลงจางลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นธรรมะแล้วกลายเป็นธรรมะคุ้มครองจิตมีธรรมะที่เป็นหลักก็คือคิดิต เมตตาและกรุณานี้คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแต่เราจะเห็นว่าไม่มีปัญหาแล้วในชั้นของสังคมบุคคลสามารถอยู่ร่วมกันโดยปกติแต่ก็มีความกำหนัดความยึดติดเพราะในความเป็นเมตตานั้นก็มีราคะเจืออยู่ในความเป็นกรุณาเผลอๆก็มีความโศกเจืออยู่และลึกๆนั้นอาจจะมีความเบียดเบียนอยู่ด้วย แต่นั้นความมั่นคงทางใจจริงๆก็ไม่มั่นคงพอเพราะลักษณะของความกําหนัดนั้นเมื่อได้ตามตนต้องการก็จะเกิดกําหนัดสูงขึ้นแล้วถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะเกิดความโศกความเสียใจแล้วถ้าใครมาขัดขวางหรื อ, อยื้อแย้งสิ่งที่เราต้องการเราจะเกิดเป็นความขัดเขืง แต่ลงใจมันก็หมุนอยู่ในกระแสะของสมุทัยกระทุกหรือความโศกก็เป็นทุกข์ความกำหนัดก็เป็นสมุทยัยความขัดเคืองก็เป็นสมุทยัยในสุดโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์มันก็มีไม่ได้เพราะใจจะไปอยู่ที่ตัวเหตุกับตัวผลอย่นั้นเองแต่ฉันจึงทรงสอนให้มองในแนวลึกลงไป ก็จะถ่ายถอนกำหนัดโดยตรงแต่อย่าลืมอย่าลืมว่าไอ้ตัวกำหนัดนั่นเองถ้าสมหวังมันก็กำหนัดมากยิ่งขึ้นถ้าไม่ได้ตามที่หวังมันก็เกิดสุขแต่ใครกัดขวางสิ่งความหวังของเราเราก็กัดเคื่อนแต่ว่ามุ่งแก้ตรงนี้มุ่งแก้ที่กำหนัดก่อนเพราะถ้าให้กำหนัดมันก็ไม่ขัดเขื่อนให้เราสังเกตดูจิตว่าทําให้กำหนัดก็ไม่กัดเขือง ความขัดเคืองท่านจึงไม่ค่อยพูดถึงก็ได้เพราะจิตมันแล่นไปในอารมณ์ที่เรารักใคร่พอใจมากกว่าอารมณ์ที่เราขัดเคืองแต่ความขัดเคืองนั้นมันก็ซ้อนอยู่ที่ตัวเรากำหนดกันเองเซนส ม, มูธว่าของที่เรารักใคร่พอใจถ้าใครมาให้เราเราก็เกิดอยากได้ปังกิงขึ้นแสดงกำกำหนัดเพิ่มขึ้นแต่ใครมาฉกมาชิงไปเราก็เกิดขัดเคือง ไอ้ของนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนั่นเองอาจจะเป็นที่ตั้งของความกำหนัดเพิ่มขึ้นก็ได้และอาจจะกลายเป็นความขัดขืงก็ได้อาจจะกลายเป็นความโศกก็ได้โดยมีความหลงเป็นเรือนใจของบุคคลอยู่ในขณะนั้นเพราะเพื่อจะกระจัดความหลงซึ่งเป็นรกากเงาที่นำไปสู่ความกังตัดและความขัดขืนตลอดึงความโศกดังกล่าว ก็ทรงสอนให้มองในแนวแยกร่างกายออกเป็ น, นส่วนๆในแนวของธาตุแต่เราอาจจะมองจากลกายในเราไม่เห็นก่อนถ้ามองจากกายในยังไม่เห็นเต็มที่อาจจะมองเฉพาะสามเฉพาะห้าอย่างแรกก็ได้คือผมขนและผ น, นังให้ดูโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของสิ่งเหล่านี้ เราจะเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดีจะช่วยจะช่วยในแง่ของการประหยัดคือเรามองเห็นเป็นปฏิกูลก็พยายามรักษาความสะอาดโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรไม่ต้องใช้เครื่องสมางอะไรแต่มุ่งไปที่มันสะอาดก็ได้กันเพราะตัวของเขาเป็นของปฏิกูลก็แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ แต่ถ้าเจาะให้ลึกลงไปยิ่งกว่านั้นล้วก็จะถ่ายถอนความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในกายของตนเองบางทีพระอริยส า, าวิกาหรือเป็นภิกษุณีส่วนมากท่านจะใช้กำวกายเน่าปูตติกายโยแปลว่ากายเน่าก็โดยการมองโดยการเห็นจริงๆของท่านถึงใช้กำว่ปูติกายโยกายเน่านี้จริงๆมันก็มีอาการเน่าปรากฏ ผมคนเลือกผ่านหนังเราก็ดูที่ตัวหน้าของมันถ้าปล่อยไว้หมักหมมในลักษณะต่างๆมันก็อาการเน่าก็ปรากฏดาวได้เราก็เห็นกันดูถ้าไม่เห็นก็ดูข้างนอกในที่กล่าวแล้วดูสัดส่วนของคนของสัตว์ที่เขาแยกไว้ในที่ต่งตางๆจะน้อมก็มาหาเราหรือว่าน้องเราก็ไปหาก็แล้วแต่จะน้องการมองในแนวนี้ผมสังเกตว่าอารมณ์เดียวกัน เพียงแต่ว่าใครจะเห็นได้ระดับใดแต่นั้นเองบางทีไม่จำเป็นจะต้องไปแยกขนาดนั้นก็ได้แต่ก็เห็นได้อย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านมองท่านก็มองที่ตัวรวมรวมคือคนแก่ก็มองที่ตัวความแก่ซึ่งปรากฏแก่คนทำไ้คนนั้นแก่ด้วยแต่เวลาพูดท่านใช้คำว่าความเกิดความแก่ความตายทำไมพูดว่าคนแก่ คนเจ็บคนตายแต่พูดตูงความลักษณะของความนั้นจะเห็นว่าเหมือนกับความร้อนความเย็นที่เราใช้ความความมันเป็นสภาวะของมันแล้เราก็ได้จนความร้อนไฟเนี่ยแก่ร้อนแก็มีความร้อนในตัวของแกตัวแกเองแกก็ร้อ น, รอนเราไปลนที่ไหนสิ่งนั้นก็ร้อนตามไปด้วย ว่าจะไปแตะตรงไหนก็ทําให้สิ่งอื่นร้อนไปด้วยเพราะท่านในผพูดถึงคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ผูดถึงความแก่ความเจ็บความตายในแง่ของอริยสัจแต่โตมระโพธิสัตว์ท่านดูนั้นท่านดูแค่คนแก่คนเจ็บคนตายท่านไม่ยังมองไม่ลึกซึ้งไปจนถึงอาข์ความแก่ความเจ็บความตายแต่พอตอนตรัสรู้แล้วต้องทรงใช้คําว่าความแก่ความเจ็บความตายหมายความมาตัวสภาวะ แก่สภาวะเจ็บสภาวะตายเหมือนสภาวะร้อนสภาวะเย็นสภาวะเค็มสภาวะหวานแก่หวานแก่เค็มแก่ร้อนแก่เย็นด้วยตัวของแก่แล้วไปวางตรงไหนแก่ก็ทำอย่างอื่นให้เค็มด้วยหวานด้วยให้ร้อนตามไปด้วยเพราะความแก่ที่เกิดที่เกิดแก่คนแก่เพราะเม่เกิดแก่เราก็ทำให้เราแก่ด้วย เกิดแคนอื่นก็ทำกํำคนอื่นแก่ด้วยเกิดแก่ใครๆก็แก่กันอย่งเง้ยความเจ็บความตายก็มีลับธนาอย่างเงี้ยให้ลองสังเกตเช่นนั้นแล้วจะเห็นได้ว่ากฎเหล่านี้จึงกลายเป็นกฎสากลไม่ได้เกิดเจาะที่คนใดคนหนึ่งพอ ม, มองกลับมาที่ความปฏิกูลความปฏิกูลมายความว่าตัวของเขานันปฏิกูลแล้วพอเขาไปอยู่ที่กายใครก็ตาม กายเราก็ได้กายคนอื่นก็ได้กายคนที่สวยยังไงก็ได้หรือกายคนขี้เหร่ยังไงก็ได้มันก็ปฏิกูลอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าปฏิกูลน้อยปฏิกูลมากก็อยู่ที่การดูแลรักษาแต่เนื้อหาแล้วจะเหมือนกันเนื้อหาของความปฏิกูลจะเหมือนกันว่าผงคนนกฟันหนังมันก็เหมือนกันถ้าไม่มีการชำระศาสาง ฟอกล้างอยู่สม่ำเสมอมันก็เหมือนกันคือแสดงความหน้าว่าเหมือนกันแล้วพอดูข้างในนั้นเราจะแยกไม่ออกเลยเอาคนสวยที่สุดคนหล่อที่สุดคนกีรติที่สุดมาชและออกไปเราจะเห็นความแตกต่างอะไรของชิ้นส่วนเหล่านั้นแต่ถ้าเราไม่รู้มาก่อนถามอันนี้เป็นชิ้นส่วนอะไรของใครเป็นตับของใครเป็นภูมิของใครเป็นเอ็นของใครเป็นเลือดของใครเราก็รูไม่ออก นั้นแสดงเห็นชัดว่าตัวความนั้นมันจะเป็นข้างมันอย่างนั้นเองถ้าบุคคลได้แยกออกไปพินิจพิจารณาแอ้ตัณหาจดิตในลักษณะคว้าจนวุ่นวายอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ลดการคว้าในแนวของวุ่นวายลงไปควบคุมทิจจามทิฏฐ า, าในการคว้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมของความถูกต้องมีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น อย่างในชั้นศีลก็ยังไม่มีอะไรก็มายุติเอาไว้ได้ใ น, ในการกดเว้นจากการเมสุมิชาจารย์ถ้าได้ลึกๆ ก, กว่านั้นคือจิตใจมีความประนี์ขึ้นไปกว่านั้นมันก็อาจจะขึ้นถึงอภรรมถ้าประนีตขึ้นไปกว่านั้นมันก็อาจจะกลายเป็นกามะสังวรคือสํารวมระวังในกามจึงงดเว้นจากการเกี่ยวข้องด้วย รรมาคุณทั้งหลายอย่าน้อยก็บางอย่างเพราะเป็นลักษณะการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาวหรือขูดเราก็เป็นเรื่องที่ทำไปเรื่อยๆทำไปได้บ้างไม่ได้บ้างบางอารมณ์ทำได้บางอารมณ์ทำไม่ได้ก็พยายามทาไปเรื่อยๆเพราะการแยกกายในแนวนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันนั้นอุปกรณ์ในการเรียนรู้แนวนี้มีมีอยู่มาก ถ้าบุคคลได้ศึกษาได้พิ จ, พพจารณายืนอยู่ในจุดของศีลแม้แต่แค่ขนาดกามเมตุนิชฌารย์ก็บุญมากกันหรือถ้าเดินไม่ได้ถึงกระพรัมก็ยิ่งจะบุญมากยิ่งขึ้นถ้าเดินไปถึงสงบกามอาชา์มัน ก, ก็ดีมากยิ่งขึ้นแต่สรุปว่าพอขยับออกมาสู่ครองของธรรมะได้แต่นั้นเองก็แสดงว่าแนวทางชีวิตเริ่มประนีตขึ้นเริ่มมีความสงบขึ้น มันก็ได้สิ่งที่สงใช้กำว่าอัธยาหิตายาสุขายาหรือเพื่อประโยชน์คือกูลคือกูลระดับไหนก็ระดับเท่าที่ทําได้นั่นแหละคือความสุขก็สุขระดับไหนก็สุขเป็นชั้นๆไป เ, เรื่อยๆเรนนี้ว่าสุขมันก็มีความประนีตของตัวความสุขแต่ความประนีตของสุขนั้นอยู่ที่การลดละกิเลสลงไป ก่เลสรดละได้ลงไปเท่าไหร่คลายกำหนัดลงไปได้เท่าไร่ก็ลดละความทุกข์ในเรื่องเหล่านั้นได้มากขึ้นทังนั้นเตือน จ, จะมองกลับไปที่ภาพใหญ่ๆอีกทีหนึ่งก็ได้ให้ลองสังเกตว่าใครก็ตามที่มีรู้รู้สึกว่าเป็นของเราอยู่มากๆคนนั้นจะมีความทุกข์มาก จนที่เราพูดเป็นคำที่แพร่หลายกันในสังคมไทยแต่เรามองในแง่ธรรมะแล้วก็จะพบว่านั้นคือตัวการยึดถือด้วยความเป็นของเรานั่นเองที่เป็นเนตตั้งแห่งความทุกที่ท่านบอกทุกกษัตริย์ทุกเจ้าวัดทุกแม่เรือนเป็นการสอนถึงความยึดมั่นหรือมั่นในขันมันมากหรือของเราห้าขันแล้วก็แบกอยู่แล้ว แล้วก็แบกคนอื่นไปเรื่อยๆแล้วขยายวงกว้างออกไปให้เราสังเกตว่ากษัตริย์มั น, มกมนก็มีขันได้ต้องยึดมากเจ้าวัดคือสมภารก็มีขันได้ต้องยึดมากแม่บ้านก็มีขันได้จะต้องยึดมากแต่ขันของสามีขันของลูกลูกหลา ย, ลายคนมันก็มีอยู่หลายๆขันเราต้องแบกต้องหา นั่นก็คือลักษณะของอารมณ์ที่ท่านสอนให้เขียนในชีวิตประจำวันของเราแต่ในจุดนั้นแหละบุคคลสามารถที่จะปล่อยวางได้อย่างการปล่อยวางในแนวไหนในแนวที่สอนรูปของพรมวิหานนั้นให้ลองสังเกตว่าสอนปล่อยวางได้เช่นว่ามีความเมตตาคือมีความรู้สึกต่อคน เอาตัวอย่างภายในครอบครัวก็ได้รู้สึกเมตตาต่อบุคคลภายในครอบครัวเสมอหน้ากันเมตตากือความรู้สึกเย็นเยนไม่ไปวุ่นวายไม่ไปจุ่นจ้านไม่ไปเจ้ากี้เจ้าการไปทุกเรื่องทุกราวอะไรแต่แล้วก็มีปัญหามีความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นตอนนี้ก็ต้องวุ่นวายหน่อยคือสงสารต้องกา ร, รอะมัดทุกข์ให้แก่เขาพอเขาหายแล้วไม่ต้องไปกรุณาเขาอีก แล้วก็มุทิตากระจายก็เพลินอีกลู้หายแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานทาการแล้วมีครอบมีครัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็เบิกขาอาการยึดของจิตมันก็ลดลงไปทำได้เช่นนี้แล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่กา ร, รปฏิบัติแย่งต่อต่นี้ไปขอให้ตั้งใจต้องความส ง, งบสุขต่อไป